สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระเยซูชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสาสิบเอ็ดเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สามสิบหกพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่บทที่สิบข้อยี่สิบหกจนถึงข้อที่สามสิบเอ็ดครับพระธรรมฮีบรูบทที่สิบข้อยี่สิบหกจนถึงข้อสาสิบเอ็ดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า เมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทำผิดอีกเครื่องบูชาลบบาป น, นั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการที่ภากษาโทษและไฟอันไร้าแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าคนที่ได้ฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสตนั้นถ้ามีพยานสักสองสามปากก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตาท่านทั้งหลายคิดดูสิว่า คนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งทําระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้าและกัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้นควรจะต้องถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใดเพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและได้ตรัสอีกว่าองค์พระบุญเจ้าจะทรงพิพากษาชนชาติของพระองค์การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้น เป็นที่น่าหวาดกลัวพี่น้องครับในฉบับคิงเจมส์นะครับมีความน่าสนใจมากก็คือว่าถ้าเราอ่านฉบับ James, คิงเจมส์เราจะรู้ว่าผู้เขียนทีบรูนั้นได้เตือนเราเกี่ยวกับความรู้เรื่องความจริงก็คือการที่นบชนของพระเยซูและการตอบสนองสี่ประการของเมื่อวานนี้ก็คือว่าให้จงรักพักดีให้มีความสศรัทธาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และอย่าขาดการนมัสการการประชุมการมสักการสามาัคคีธรรมกับพี่น้องสิ่งต่างเหล่านี้ครับจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราทั้งหลายได้มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระนเจ้าและพระโลหิตของพระองค์และในพันสัญญาของพระองค์นั้นก็จะทําให้การบูชาไถ่าบาปของพระเยซูนั้นจะเกิดผลในชีวิตของพวกเราแต่ถ้าเกิดว่าเรายังขืนทําผิดอีกเครื่องบูชานั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยถามว่าเราทําอะไรครับ ที่ว่าผิดก็คือว่าเราดูถูกดูหมิน่นและเหยียดหยามพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์และไม่ยอมรับการช่วยให้รอดหรือการไถ่ที่มาจากพระเจ้าคนคนนั้นในที่สุดเขาจะต้องรอคอยการที่พากษาซึ่งถ้ารู้ก็จะหนาวครับหมายความว่าครับก็จะเกิดความหวาดกลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าโทษนั้นก็คือ ไฟและไฟอันร้าแรงซึ่งจะกินอวบรรดาคนที่ขัดขวางนั้นเสียคนที่ได้ฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสสพระมหีบอกว่ามีพยานอยู่สองสามปากก็ต้องตายแล้วโดยปัสจากความเมตตาพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูและดูหมิ่นพระฤวิีแห่งพันธสัญญาที่ชำระโลกและมนุษย์ให้บริสุทธิ์และกล่าวโทษหรือดูหมิ่นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วช้า เขากําลังมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงพระคุณสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถูกพิพากษาและลงโทษครับพี่น้องครับถ้าเรารู้จักพระเยซูผู้ได้ตัดว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและยังตัดอีกว่าองค์พระเจ้าจะทรงพิาาพากษาประชาชนของพระองค์พี่น้องครับนี่คือความน่ากลัวครับว่าการตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวเพราะว่าผู้เขียนกําลังเตือนพวกเราครับนะครับว่า คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้คำบัญญัติของโมเสสเนี่ยนะครับไม่มีเครื่องบูชาระบุไว้สําหรับความบาปแบบจงใจครับนะครับแสดงว่าคนที่จงใจทําบาปภายใต้บัญญัติของโมเสสนั้นจะต้องเผชิญโทษร้ายแรงถึงขั้นผ่านชีวิตด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเห็นถึงความหนักหนาสาหัส ข, ของความบาปอย่างจงใจไหมครับพี่น้องเห็นถึงความเป็นความตายของการทําบาปอย่างจงใจเพราะฉะนั้นนี่แหละครับ ผู้เขียนฮีบรูขอให้เราพิจารณาว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระขาใบ้บรสนั้นเป็นสิ่งชั่วช้าและประมาทต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณจะต้องรับโทษแน่นอนพี่น้องครับคำตอบชัดเจนครับว่าใครก็ตามที่หากจงใจเพิกเฉยต่อธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นเรื่องไรแรงการปฏิเสธพระกิตก็ไรแรงยิ่งกว่าครับ การเพิกเฉยการปฏิเสธพระคริสต์ก็เท่ากับเป็นการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คําว่าหมิ่นประมาทนะครับก็คือมีความหมายว่าดูหมิ่นครับนะหมายถึงคนคนหนึ่งครับหันหลังให้พระเยซูนะครับปฏิเสธการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปฏิเสธพระเยซูก็เท่ากับเขาได้หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับและถึงขั้นหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์บาปนี้จะยกให้ไม่ได้ครับ ถ้าเราดูในพระธรรมคีรูบทที่หกข้อสี่ถึงข้อหกเราก็จะรู้คือนครับความน่ากลัวนะครับของการถอยหนีจากพระเจ้านะครับหนักหนาะสาหัสครับพัมภีสรีบที่เจ็ดสิบหกได้ถูกกล่าวอ้างที่นี่และบทที่หนึ่ง้ยสาสิบห้าข้อสิบสี่ก็ได้ถูกกล่าวอ้างเหมือนกันครับนะฮะ บ, บอกว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ น, นั้นไม่ได้ตายแล้วนะครับ <c oughs> แต่พระองค์ทรงพระชนอยู่ครับ พระองค์จะทรงพิพากษาโดยการจัดเตรียมของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าหวาดกลัวน่าตกใจก็คือการอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงจึงอยากจะไขขอเตือนครับและให้พวกเราทั้งหลายต้องตระหนักว่าการจงใจทําความบาปนั้นถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว และขออย่าให้เราตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าเลยนะครับเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นจะต้องเชื่อฟังและเราจะต้องชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำนะครับของพระเจ้าและด้วยการทรงนำการชำระของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเรานั้นก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเหตุ น, นี้เองทำให้เราทั้งหลายจะต้องลําลึกครับว่าเราจะต้องอดทนต่อความยากลาบาก บางทีเราจะต้องถูกประจานถูกข่มเหงด้วยความเชื่อของเราอับอายขายหน้านะครับเราจะต้องยึดอยู่ในความช่วยเหลือการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสต์ พ, พี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติของพระนิพพานครูนะครับเราเห็นความร้ายแรงของการจงใจละเมิดละเมิดทําบาปอีกพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าคอขาดบาดตายเลยทีเดียวฉะนั้น จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องให้กำลังใจและชี้ให้เห็นถึงความไม่เชื่อฟังการจงใจที่จะไม่เชื่อฟังการจงใจที่จะละเมิดธรรมบัญญัติหรือความบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตของเราก็ตกต่าครับและด้วยเหตุ น, นี้ชีวิตของหลายๆคนก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าเท่าที่ควรไม่ได้ตอบสนองต่อพระเจ้าเท่าที่ควรเพราะความบาปนะครับของความการไม่เชื่อฟังทาให้ขัดขวางเขา ไม่เขาได้รับพระคุณของพระเจ้าเมื่อไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าข้อตอบสนองพระคุณพระเจ้าไม่ได้ครับเมื่อตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เขาก็ไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลบางคนอยู่ในองค์กรคริสเตียนบางคนอยู่ในสรารบัญคริสเตียนหรือแม้กระทั่งบางคนอยู่ในคริสจักรก็ยังไม่สามารถหลุดออกจากการผูกมัดของความบาปได้อขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะหลุดออกจากการผูกมัดต่างๆเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูเจ้าชาวนาเสรด และพระโลหิตอันสงศิลานุภาพของพระองค์ภายใต้พันธสัญญานรั์ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราโดยผ่านการสิ้นพระชนการวายพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนั่นเองทําให้เราทั้งหลายได้มีพันธสัญญาที่มั่นคงครับปลอดภัยและสามารถที่จะพึ่งอาศัยได้ขอบพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะมีความศรัทธาและชําระตนให้พ้นจากสิ่งมนทินมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ในการถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อที่เราจะไม่ต้องถูกพี้ภาคษาลงโทษแต่ในทางกลับกันเราจะได้รับบันเนังกได้พระคุณนะครับรับพระพรและการทรงนำของพระเจ้าตลอดไปอาเมน